ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุรุก็จะไม่มีใครรู้จักวิธีกาจัดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรก็จะกาจัดหรือดับกิเลสตัณหาไว้เพียงชั่วข่าวเช่นในขณะเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบนี่คือจุดสูงสุดของ สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโรผู้ปฏิบัติบําเพ็ญเพื่อดับความทุกข์นั้นสามารถบําเพ็ญได้ถึงขั้นสมาธิเท่านั้นขั้นรูปประจานารูปประจานแต่ไม่สามารถที่จะดับติเลตันหาดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะไม่รู้จักวิธีนั่นเองจน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 เกิดความลำคาญใจเกิดความทุกข์ใจถ้าอยากมากๆก็อาจจะถึงอยากจะข่าตัวตายเพราะมันทุกข์มากเช่นสูญเสียความสุขต่างๆที่เคยได้รับจากราบลดสรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นลถโพทัพะแต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะ หาความสุขแบบนั้นได้เช่นสูญเสียราบยศสรรเสริญสูญเสียความสามารถที่จะหาความสุขจากลูกเสียงกิน่นนกปดถภะได้จิตใจก็จะมีแต่ความเครียดความทุกข์ความทรมานใจจนไม่คิดอยากจะอยู่ต่อไปนี่เป็นความทุกข์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 แต่มันกลับทำให้เกิดมีความอยากความทุกข์เพิ่มมากขึ้นรอรุ่นใหม่พอซื้อรุ่นใหม่นี้มาได้ไม่กี่วันก็นั่งรอรุ่นใหม่แล้วพอได้ยินข่าวว่ามีรุ่นใหม่ออกมาก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเตรียมทองที่จะไปต้อนรับน้องใหม่แล้วนี่คือเรื่องของใจของผู้ที่ไม่ได้ จเจริญส ม, มถะภาวนาไม่ได้จเจริญวิปัสนาภาวนาดัางนั้นการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ดับ ก, กิเลสตัณหานี้ต้องต้องปฏิบัติด้วยการจเจริญส ม, มถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาเราต้องกลับเข้าไปในใจเพื่อที่จะได้ไปพบกับปะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของพวกเรา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 สตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบแล้วเมื่อมีความสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบด้วยการทำลายตันหาวิเลต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ได้รับจากการเจริญสมถภาวนาทุกครั้งที่มีตันหาความอยากจะต้องทำลายมัน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 โครคภัยไข้เจ็บเวลาเราเกิดโครคภัยไข้เจ็บเกิดความทุกข์ทางร่างกายเราทำอย่างไรเราก็ต้องหาวิธีรักษามันไม่ใช่เลยมียาก็เอายามารับประทานไม่มีก็ไปหายาถ้าต้องใช้หมอ <c oughs> ก็ต้องไปหาหมอถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเข้าโรงพยาบาล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 ฟังอะไรไปดื่มไปรับประทานอะไรก็เป็นการลืมความทุกข์ที่มีอยู่ไปชั่วเกา่าแต่ไม่ได้ดับความทุกข์นั้นพอกลับมาเจอเรื่องเกา่าความทุกข์เกา่าก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปสร้างความทุกข์ใหม่คือความอยากที่จะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย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 กกั้นไม่ให้เราสามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเราจึงต้องเจริญรักษาสีแปดให้ได้และการที่เราจะรักษาสีแปดได้เราก็ต้องไม่มีภารกิจการงานทางโลกไม่ไม่ต้องไปทำงานทำการเพราะถ้าทำงานทำการนี้มันก็จะมีอาาุปสรรคเพราะเวลาทางานก็ต้อง ใช้พลังงานใช้อะไรต่างๆก็ต้องรับประทานอาหารมากกว่าการที่เวลาที่เราไม่ต้องทำงานและเรื่อเวลาที่เราจะมีให้กับการจเจริญสติก็มีไม่มากเพราะเราจะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆ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 หาเพียงเท่านี้แล้วการรักษาศินจะง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องหามากเมื่อไม่ต้องหามากก็ไม่ต้องใช้เลขเลขกลนต่างๆใช้การผิดสินมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินทองมากๆอย่างพระนี่ก็หาด้วยการบินตบาดเดินไปบินตบาดใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ไม่ใส่ก็ไม่ว่าอะไร ไม่ต้องมาโฆษณาชวนเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ได้บรรลุขันนุนขันนี้แล้วเป็นระบาดไปตามมีตามเกิดเพราะว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะอาหารเพียงพอที่จะให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้วถ้ามีความมากน้อยสันโดษแล้วก็จะรักษาศีลห้าได้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 ปฏิบัติทำขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นทานเข้าไปสู่ขั้นศีลเข้าไปสู่ขั้นภาวนาไปติวิเวกไปเจริญสติไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยหายไปตามลำดับมันไม่ได้หายแบบทันทีทันใดหายไปหมดมันก็ค่อยๆหายไป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 คูบาอาจารย์ที่เราทั้งหลายกราบว่าบูชาที่อัติของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วก็เป็นผู้ยืนยันแล้วว่าท่านได้หายจากโลกของความทุกข์ใจแล้วก็เกิดจากการทำตามคำสั่งของพระพุทธเจา้านั่นเองพวกเราก็สามารถที่จะรักษาโลกใจของเราให้หายได้เหมือนกับคูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้บูชา ถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติกันดังนั้นเรื่องทั้งหมดก็ตกมาที่ตัวเราเราจะเราหวังให้ผู้อื่นมาปฏิบัติให้เราไม่ได้ทําให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องสตัตวไว้ว่าอ ah ัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน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 การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาวิวาหาสูราตาลิกุเรนติสาขารังเอวเมวะอิโตทินางเตตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดป้าเมวะสามิจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโวินัสตุมาเตปวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวา ภาวาธนะสีษิะนิจังวุฒาปจายโนจัตารโธรมาวะทานติอายุวโนสุขังพาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมถ้าท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน เพื่อที่ผู้ฝังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบถ้าไม่มีใครก็จะให้ถามตอบปัญหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่ไปก่อนก็ได้แล้วใครอยากจะถามที่หลังก็ขึ้นมาถามได้แต่ขอความกรุณาเวลาปิดไม้แล้วก็อย่ามาถามะต่อไปเป็นคําถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะ คำถามแรกจากคุณปุ๊กไม่สบายใจที่ลูกเริ่มเป็นคนพยาบาทจะบอกเขาอย่างไรดีคะสอนให้เขามีความเมตตาสอนเขาว่าความพยาบาทนี้เป็นเหมือนไฟในรกผู้ที่ทุกข์ไม่ใช่คนที่เราพยาบาทเราต่างหากที่เป็นคนที่ทึกเพราะว่าเวลาเกิดความพยาบาทนั้นใจเราจะร้อน เราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่คนที่เราถูบพยาบาลนี้เขาไม่รู้เรื่องหรือเปลาเขาก็อยู่ของเขาไปตามปกตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราไปทําตามอาฆาตพยาบาลแค่จะเกิดชาญจองเวรจองกรรมขึ้นมาเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทเราเขาก็จะกลับมาทาําร้ายเราวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้อภัย แผ่เมตตาคิดเสียว่าเป็นการใช้นี่บ็แกันเราอาจจะไปพูดไปทำอะไรทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องมาพูดมาทำอะไรให้เราไม่พอใจก็ถือว่าจบแค่นั้นก็พอถ้าไม่ใช่นั้นนะเราจะเดือดร้อนเราจะมีเจ้ากรรมนายเวร คำถามข้อต่อไปจากคุณจีระวรรณถ้ากินยาถ่ายพยาธิผิดศีลข้อปานาไหมคะถือเป็นการฆ่าสัตว์ไหมเพราะเป็นเจตนาด้วยหรือว่าเป็นการรักษาโรคคะถ้าทีเข้าใจพยาธินี่มันไม่มีจิตใจแนะ้วถือว่าไม่ได้เป็นเป็นที่ทำแล้วจะเป็นการฆ่าเขาเป็นการรักษาโรคภายใต้เจ เช้อโรคต่างๆในร่างกายนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับสัตว์ในกระชานังนั้นการกินยาเพื่อที่จะรักษาโรคหายไข้เป็นจไม่ถือว่าเป็นการทำปาณาธิบาตคำถามข้อสุดท้ายจากทางอินเทอร์เนต็ตนะคะจากคุณปัจชยาเลิศเจริญโชคทุกในใจจะแก้ไขยังไงใช้ทั้งสวดมนต์การบาเพ็ญภาวนาก็ยังทุกอยู่ค่ะ ก็เป็นวิธีที่ถูกแล้วเพียงแต่ ว, ว่ายังทำน้อยไปให้ ก, การรับประทานยาหมอใ ห, ให้ยามา20เม็ดรับประทานไปเม็ดเดียวแล้วก็หังที่จะให้โรคภัยหายยังไม่หายต้องกินตามที่หมอสั่งกินยาให้ก้นยาปฏิชีวนะนี่ธรรมดาหมอจะให้เป็นชุดต้องกินอย่างน้อย5วันวันละ4เวลาคือ20เม็ด แล้วโรคไัที่เกิดจากเชื่อโรค ก, ก็จะหายอนใดความทุกข์ใจก็เหมือนกันความทุกข์ใจก็จะหายจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาเพียงแต่ว่าเราต้องทำไปเรื่อยๆ <c oughs> จนกว่าความทุกข์นั้นจะหายไปถ้ายัางไม่หายก็อย่าหยุดทําเช่นสวดมนต์ไม่ใช่สวดแก้ สงสามทีแล้วก็คิดว่าจะให้ความทุกข์หายไปเลยสวดอาลารสมาสวัสดิรค้าโตสวดปฏิปันโนจบแค่นี้ไม่พอต้องสวดไปสวดไปทั้งวันอย่างนี้สวดไปทั้งวันเราจะเห็นผลว่าเออความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มันเริ่มผ่อนคลายแต่มันจะไม่หายได้เกิดจากการสวดมนุอย่างถาวรเวลาใดที่เราไม่สวดมันก็ จะกลับมาได้ถ้าเราอยากจะให้หายอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาความทุกขของเราว่าเกิดจากอะไรความทุกขพรเจ้าก็บอกว่าเกิดจากปัญญาเราก็พิจารณาดูว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเรื่องอะไรเช่ออยากกับสามีอยากกับภรรยาหรืออยากกับเงินทองหรืออะไรตา่างๆ เพื่อนเราพิจารณาดูว่าเราอยากแล้วเราไม่ได้ดันใจอยากเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาหรืเห็นว่าเขาเป็นอนิจจ์ที่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปแล้วอยากจะให้กลับให้เขากลับมาหมดเขาก็ไม่กลับมาเพราะว่าเขาไปแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตา ถ้าเราไม่อยากเกิดทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากไม่ให้เขาเปลี่ยนไม่ให้เขาจากมาไปหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้ความทุกข์ก็จะหายไปอย่างท้า้วันลกหนึ่งปัญหา มีหมอภรยาตั้งท่าหน่อยวันนี้สองข้อค่ะปัญาเุาต้องมีปัญหาปัญหาทุกวันสองข้อค่ะพระอาจารย์วันนี้ข้อแรกคือวันก่อนนะคะพระอาจารย์บังเอิญหนูมาไม่ทันว่าพระอาจารย์ได้แสดงทำอะไรไปก่อนแต่บังเอิญมาได้ยินตรงที่พระอาจารย์บอกว่า เนี่ยดูสิอยุธยาเนี่ยเป็นยังไงยังเหลือแต่ซากแต่พอพ่อจาร์กล่าวตรงนี้เสร็จปุ๊บบังเอิญมันมีโยมอยู่ท่านหนึ่งสวนกลับขึ้นมาทันทีเห็นไหมว่าพ่อจาร์บอกว่าอายุธยาเหลือแต่ซากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปเครียดอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอย่ากทาอะไรทํา ทีนี้เนี่ยธรรมะตรงเนี้ยระหว่างความหมายของพระอาจารย์กับความเข้าใจของโยมท่านนั้นน well. ่ะถูกต้องไหมคะก็คขไม่ถูกต้องว่าการการที่เราเห็นความเสี่ยง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 ก็พอไม่ต้องทำอีกต่อไปก็ดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งทงตามความอยากมันก็ยิ่งเพิ่มความอยาก้วพอร่างกายมันแก่มันจะตายมันทำไม่ได้ดัง น, นั้นจะทุกขทรมารมากถึงต้องมาหักหยุดเสียก่อนก่อนที่ที่ร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อน คือความความจริงที่ให้พิจารณาความเสื่อมก็ให้พิจารณาเครื่องมือของเราเครื่องมือที่เราใช้หาความสุดต่างๆความความอยากของเราก็คือร่างกายของเรทุกวันนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุดกันจะดูก็ต้องมีตาจะฟังก็ต้องมีหูจะลิ้มรสก็ต้องมีลิ้มจะโน้มเปล่งก็ต้องมีจมูกจะสัมผัสกับความแข็งความนุ่มความร้อนความ ความเย็นก็ต้องมีร่างกายทีนี้ต่อไปเวลาร่างกายมันหมดสภาพเพิ่มเป็นอนมเพลิขมอาพาดไปจะทําอย่างไรหรือเป็นโรคที่้อยบอกว่าจะต้องตายไปภายในสามเดือนหกเดือนประมาณนี้ก็เลยใช้วิธีฆ่าตัวตายหนีความทุกนนกันมีตันไปเรื่องฆ่ามีนก็ค่าผิดคนอยูละคนที่เป็นปัญหาไม่ใช่ร่างกายคนที่เป็นปัญหาก็คือความอยาก ผลที่เราต้องฆ่าก็คือความอยากเพราะมันเป็นตัวทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราฆ่าความอยากได้ต่อไปร่างกายจะรับใช้เราหรือไม่รับใช้เราก็าไม่เป็นกัญหเพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราเพราะเรามีความสุขภายในใจของเราที่เกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญสมถะในวิปัสสนาธรรมนี่คือ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 มีตำแหน่งสูงขนาดไหนอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆก็ไม่จะหมดหนิ่ขึ้นมาทันทีต้องมีนั่นดูต้องมีนั่นฟังต้องมีอะไรทำให้มันเพืิดเพลินให้มันหายคันแต่มันก็ไปเกาไปไปเกาผิดที่คันอย่างที่หลวงตาบอกหมาขี้เลื่อมันไปเกาผิดที่ต้องเกาที่มันคันไอตัวที่ทำให้เราคันก็คือตันหาความอยากถ้าเราดับความอยากได้แล้ว ความโมกความนองคาใจอะรต่างๆก็จะหายไป็นนี่คือสิ่งที่ควรจะคิดไม่ใช่คิดว่าไหนๆเราจะตายก่อนจะตายก็ยเที่ยวเล่นให้กินให้มันเต็มที่ข้อที่สองข้อที่สองกับเป็นเรื่องของบังเอิญฝันร้ายครับพระอาจารย์บังเอิญฝันว่ากําลังจะล้มตัวลงนอนที่หนึ่งบังเอิญยุงเยอะมาก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 ทำไมเราจะต้องไปทำบาป ท, ทำไมให้มันขาดถึงไปเป่บบาๆผู้ที่มีสมาธิผู้ที่มีปัญญาจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเมตนาวได้ก็จะรักษาสินห้าได้อย่างบริสุทธิ์เพราะว่าหรือว่าถ้าไปทำผิดหลงผู้ที่รับบาปก็คือก็คือเราผู้ที่จะทำไม่ใช่ร่างกาย เราไปตอกตะไปปกป้องรักษาร่างกายแล้วเราเป็นคนไปทําบาปและเพื่อเราต้องไปนับผลกันเองทันไปทไําเลปล่อยร่างกายมันเป็นปไปตามเรื่อ ง, เ, เ, องเราอยากไปทําบาปมันจะเห็นชัดเวลาที่เรามีสามาธิภาอนะ่าใจเราสงบแล้วเวลาใจเราคิดที่จะปกปอ้องรักษาร่างกายมันจะทุกขึ้นมาทันทีเวลาที่เราปล่อยปลั๊กใจเราจะเย็นไะง เราก็รู้วิธีว่าเราต้องปล่อยปล่อยแล้วห็สบายพระอาจารย์ครับเราจะถามเรื่องศีลห้าพอดีครับคือศีลห้าสำหรับปุถุชนนี่คุมกายและใจด้วยหรือเปล่าครับคือศีลห้ามันอยู่ที่วาจากับกายกายมาทําทางกายมาทำวาจา แต่มันก็มีใจเป็นผู้สั่งให้กระทัดเพราะฉะนั้นมันจะว่าแจว่าแต่กายกับวาจาเป็นอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็อยู่ที่ใจด้วยแต่ใเบื้องต้นนี้ก็ให้รักษาที่กายที่วาจาก่อนเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปถึงใจเราไม่สามารถไประงับที่ต้นเหตุได้คือความอยากที่ทำให้ใจของเราต้องทำบาปต่างๆอย่างน้อยเราก็มาระงับที่ปลายเหตุก่อนก็คือมาอ้ามไม่ให้ กระทำที่ไม่ถูกสิลนะไม่ให้กระทํำผิดสีง mm hmm. ก็คือต้องบังคับว่าไม่ฆ่าไม่รักทรัพยไม่ปกติติดโรยนี้ไม่พูดโกหกไม่เสีกเชื้อราอย่าง mm hmm. แต่การแก้ที่ตายนี้มันจะแก้ไม่มีวันจบมันจะไม่มันจะรังแก้ไปเรื่อยถ้าอยากจาแก้อย่างจบก็อ ย, อย่างที่บอกต้องเข้าไปถึงต้นเหตุก็คือความหลงที่ทําให้เราเกิดความอยาก พอเกิดความอยากเราก็จะทำํำบาปเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้แต่พอเรามีเข้าไปถึงใจต้องไปถึงจิตเข้าไปถึงบ้านของกิเลสปัญหาเราก็ไปฆ่าตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทำบาปก็คือความอยากพอเราทําลายความอยากได้เราก็จะไม่ต้องทำบาปต่อไปถึงแบบมงสองท่านทั้นแรกเป็นท่านของปู้ชน รักษาด้วยการสมาทานด้วยการหักหามจิตใจท่านของป้าอริยานิท่านเข้าไปทําลายต้นเหตุของการกระทำบาปก็คือตัณหาต้นเหตุของการของตัณหาก็คือความหลงโดยหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของหลงถ้าถ้าปุถุชนเผลอเผลอใจอย่างเช่นเราโกรธเราไปชกไปบาดเขาแต่ยังไม่ปานาติบาดอย่างเช่นชาบสาบแช่งเขาให้ไป ตายที่ไหนก็ไปอย่างเงี้ยครับคือทุศีนี้ครับถ้าอยู่ในใจยังก็ยังคิดว่าติดสินเป็นบาปทางใจผลของบาปทางใจก็คือทําให้ใจเรารุ่มนอนทํานัแต่ยังไ ม, ม, ม่มีเวรมีกรรมันนี้มีคนคําถานมน้อยแสดงว่รู้มากแล้วต <c oughs> อนมาฟังเกือสิบปีแล้วมั้งจนรู้หมดแล้วมันจะพูดอะไร <c oughs> ทีหน้าปากออกมาการู้แล้วมาแล้ว <st arts> ค่ะกลับเรียนท่าอาจารย์นะคะอ่ะตอนโยมเริ่มปฏิบัติใหม่ๆได้ไปทําบุญที่สวนแสนงธรรมค่ะตอนนี้อ่าได้ไปถวายอาหารพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระฝรั่งมาจากวัดป่าบ้นดานศาสตอนนี้คือจิตอยากจะลองดีกับพระอตอนถวายอาหารเสร็จนะคะ พ้าท่านก็เราก็ถอยถอยมานั่งผ้าจารย์ท่านก็จับน้ำผลไม้อะค่ะเป็นน้ำแอปเปิ้ลโยมก็อยากมีความรู้สึกก็อยากจะจะจะจะทราบว่าผ้าจารย์ท่านจะทราบหรือเปล่าก็เลยนึกในใจว่าเรานี่อยากอยากดื่มน้ำผลไม้ตอนนี้มากผ้าจารย์ท่านก็มองหน้าโยมทันทีเลยทันทีที่ท่านจับท่านก็พูดว่าพระกรโยมชอบอาหารเหมือนกันแล้วท่านก็ยิ้มยิ้ม โยมมีความรู้สึกว่าอันเหมือนติดค้างไม่ได้โขเอขอ้ามาท่านนคะคะเพราะหลังจากนั้นคือไม่ได้เจอพระท่านเลยค่ะไม่ทราบว่าท่านกลับไปวัดป่าบ้านตากหรือว่าไปที่ต่างประเทศแล้วค่ะตอนนี้คือจะทํายังไงใจไม่สบายอะค่ะเราต้องแกที่ตัวเราเองไม่ได้เป็นกางไปขอธรามจากท่านเพราะท่านไม่มีอะไรกับเราแต่เรามันมีปัญหากับตัวเราเองก็คือความคิดของเาเราก็ต้อง แก่ที่ตัวเราก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ควรคิดเหแบบนี้ให้เรามีความสานึกติดค้าเราอยากจะทําให้มันมีน้ำหนักก็หามาตรการลงโทษตัวเราองเชไปอยู่จำศีลติดหรืออะไรสักเดือนุกครัทุกคั้ที่คิดไม่ดีก็ลงโทษตัวเองจับไปคุกสักเดือนอย่างเงต่อไปมันก็จะได้ไม่กล้าค่ะพระอาจารย์คะข้อที่สองนะคะ ตอนนี้ที่ปฏิบัตินี่มันจะมีในเรื่องของผัสสะค่ะที่ที่มากระทบอยู่ตลอดบางครั้งก็จะใช้ในเรื่องของอคือว่าสักแต่ว่านะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่มีความหมายอะไรคือปล่อยไปคือสําเร็จบางครั้งสําเร็จแต่ในบางครั้งนี่ใช้ในลักษณะของเรื่องของไตรักพิจารณาดูแล้วคือใจรักจะดีกว่ารู้สึกว่าจะจะ จะช่วยให้เราพ้นทุกได้เร็วขึ้นแต่ในขณะที่บางครั้งที่ภัสสะที่กระทบตลอดเวลาคือมันจะปล่อยเวลาให้เราน้อยน้อยมากค่ะค่ะท่านตอนนี้คิดว่ากำลังของสมาธิจะน้อยลงไปใช่หรือเปล่าค่ะท่านถ้าเราตัดไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าไม่ใช่มสมาธิก็ปัญญาถ้าปัญญาน้อยก็แสดงว่าไม่เห็นตายรัอเห็นชัดเจนถ้าเห็นชนายรับอย่างชัดเจนแต่ สัตไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิเราจะมีกำลังน้อยคือในแต่ละครั้งนะท่านบางบางบางครั้งคือสําเร็จด้วยการใช้ใช้การปล่อยวางอะค่ะแต่ในบางครั้งก็สําเร็จได้ได้ด้วยของการกดใจรักมันมันจะสลับกันพยายามทำต่อไปค่ะแต่ว่ามันการเราไปสอบครั้งนี้เราสอบตกแล้วก็กลับมาทำการบ้านค่ะแล้วก็ลองกลับไปสอบใหมค่ค่ะแต่เคยทดสอบนะคะพระอาจารย์ คือมีคนมาว่าเราตรงๆเลยว่ากระทบเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มากจะเดินเข้ามาตกด้วยแต<ม>่ตอนนั้นจิตเรารู้สึกเรานิ่งมากเลยไ ม, ไม่ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกกลัวเลย<ม>ก็ก็ปล่อยเขาถะก็บอกเขาว่าจะตกก็เข้ามาเลยเขาก็ก็เกิดไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะท่านก็เหมือนเหมือนการทดสอบตัวตัวเองก็จิตใจของเรามันก็บางทีไม่แน่นเวลาใดที่เราตั้งใจนี้ดหนึ่งก็ผ่านเวลาใดที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ หลุดได้เหมือนกัน <Okay. S 1> นั้นก็อยู่ที่สติของเราที่จะตั้งคอยตั้งรับเตรียนตัวรับกับทุกสิ่งกอย่างตลอดเวลา <Okay. S 1> เราต้องไม่ประมาแเราต้องคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่คิดว่ามันจะเกิดพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ามันอาจจะเกิดตอนนี้คือช่วโมงหน้าประดาเราต้องเตรียมตัวรับ เหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นับเปล่ยนให้ได้ซ้อมอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆสมมติอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเราเดี๋ยวไปหาหมอแล้วหมอก็าบอกเป็นโรคร้ายขึ้นมาเราจะทำอย่างไรเราพร้อมที่จะรับกับความจริงได้ไหมเดินไปเกิดฟ้าผ่าลงมาตายถูกฟ้าผ่าตายตอนนั้นจำใจได้หรือ อะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนที่จะซ้อมอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆและพอเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นมามันก็จะผ่านไปได้แล้สบายจะรบกวนถามว่าหลังจากสวดมนต์หรือทำบุญเสร็จแล้วอะค่ะการแผ่เมตตาด้วยจิตกับการกรวดน้ำนี่ให้อันนี้ส่งต่างกันไหมคะเป็นการกระทำต่างกันคือการกรวดน้ำนี่ ก็คือเป็นการแบ่งบุญที่เราได้ทําไว้ได้จากผู้ที่ร่วมรับไปแล้วแต่ก็จะนิยมแบ่งบุญด้วยการทำทานไม่ได้แบ่งบุญด้วยการภาวนาเพราะว่าการภาวนานี่มันแบ่งไม่ได้ความสงบ น, นี้ต้องของใครของมันต้องทํากันเองไม่งั้นพรจา ก, ก็แบ่งนนไม่ผานในพวกเราแต่บุญที่เราแบ่งได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทำทาน แล้วก็เป็นบุญที่ผู้ที่ร่วมรับไปแลาวรับรางนี้ก็คือเรื่องของการอุทิดบุญส่วนการแผ่เมตตานี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นการสร้างความปรารถนาดีขึ้นมาภาจในใจของเราให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ในขณะที่เราอยู่คนเดียวหลังจากเราไหวพ้าสดนอนแล้วเราแผ่นี้มันไม่ถือว่าเป็นการแผ่จริงเป็นการซอม เพาการแผ่จริงจะต้องมีผู้รับเช่นผู้ที่ทําให้เราเกิดงเราต้องแต่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจซ้อมไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนวนะ่าสมมุติครั้งนี้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเขาทาให้เราโกรธหลังจะให้ใคเขาไขด้หรื อ, ปอนนเปล่ามีปฎิกาลซ้อมเวลาที่จะแผจ่จริงจรต้อนเวลาที่เจอเหตุการณนะ์นั้นเช่น ใครมาพูดมาด่าเราหร่มาทำอะไรให้กับเราต้องเสียใจเราให้ไปก่อนได้หรือเปล่าหรือ<ม>เราจะนอนถึกแต่การแผลการแผลตามที่เราทำกันนั้นก็เป็นเป็นการทำการบ้านต้องทำการบ้านก่อนถึงจะเข้าห้องสอบได้ถ้าไม่เปียนตัวไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบก็ไม่รู้จะทำ ทำตัวอย่างไรทันใจอย่างไรเวลาเจอคนที่เขาทำทำเรื่องทํำราวให้เราต้องโกรธต้องเสีย อ, อกเสียใจเราก็จะทําไปตามอารมณ์ของเราก็คือเราจะโกรธแล้วเราก็อาฆาตยาบาฐ า, ฐาแล้วเราก็อาจจะไปพูดไปทําในสิ่งที่เสียหายทั้งกับเขาและกับเราต่อไปดังนั้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนว่าในกรณีนี้เขาทําอย่างนี้เราจะทำอย่างไงเราให้ภายเป็นหรือเปล เรายอมได้หรือเยอมแพ้ได้หรือเ่าเมื่อเราจะต้องชนะเสมอการชนะนี้พระชาก็บอกเร้ ว, ว่าชนะตนดีกว่าชนะผู้อื่นพเพราะว่าชนะผู้อื่นก็จะเป็นเวร เ, เป็นกรรมกันแต่ถ้าชนะตนนั้นท้กอย่างก็จบชนะตนก็คือชนะความเกชนะความอาฆาตปริบาร์อเราไม่อาฆาตปริบาร์ทุกอย่างก็จบเพราะดาเราผ่านไปแล้ว เขาทำร้ายเรามันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราไม่จบเราไปว่าเขาไปทำร้ายเขากลับเดี๋ยวเขากลับมาทําร้ายเราพรต่างคนตางฝ่ายก็ะ ต, ต่างทำกันไปทํากันมาเดี๋ยวก็ถึงกับฆ่ากันตายในที่สุดแล้วพอไปเกิดชาติหน้าพวกหน้าเจอกันที่ไหนก็จองเวรจองกรรกันต่องันให้ใช้ขัดให้ขัดไปขัดเจริญไม่ตางแล้ว เจ้ากรรมนายเวรแตกต่างก็จะหมดไปมันทำใจไมั้าไม่มีมก็คิดว่าหยุดเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะก็ขอให้ท่านทร ง, งยอมมาเสกที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติ พระปรางค์เจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ